เรื่องที่27คนเอาเปรียบวิธีการเอาเปรียบคนอื่นของคนที่เคี้ยวเปรียบนั้นยากนักที่จะบรรยายให้จบสิ้นได้เพราะนิสัยของคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นร่ําไปเผลอเป็นไม่ได้ใครก็ตามที่ไม่เคยอยู่ใกล้คนเคี้ยวเปรียบก็ย่อมจะไม่รู้ริดหรอกว่าจิตใจของคนที่ถูกเอาเปรียบนั้นเป็นอย่างไร มันให้รู้สึกทั้งเจ็บทั้งงายทั้งเสียดายทั้งโมโหไม่รู้จะบอกอย่างไรถูกลักษณะคนเคี่ยวเปรียบเป็นอย่างไรรู้ได้ยากจะเล่าให้ฟังครับพวกคนชาวบ้านนอกหรือไม่บ้านนอกหรอกครับในกรุงนี่เองแหละเป็นคนที่เสมอๆกันอยู่ด้วยกันหลายคนเวลากินข้าวเขามีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งคือ ถ้าใครกินอิ่มก่อนจะลุกออกจากวงเขาต้องดูว่าในสำหรับมีถ้วยชามอาหารใบไหนที่ว่างแล้วบ้างคืออาหารหมดแล้วถ้ามีเขาก็หยิบเอาไปล้างเสียด้วยซึ่งก็มักจะเป็นว่าเป็นคนหยิบอาหารในชามใบนั้นกินเป็นชิ้นสุดท้ายทำอย่างนี้กันเรื่อยไปจนกระทั่งคนอิ่มทีหลังเพื่อนที่สุด ก็ยกไปล้างทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าในวงนั้นมีคนรู้มากที่เอเปรียบคนอื่นร่วมอยู่ด้วยเขามีวิธีกินของเขาต่างหากคือเขาจะรีบกินเอากินเอาเพื่อให้เห็นเป็นว่าตัวอิ่มก่อนยังไม่มีชามใบใ ด, ใดว่างเลยตัวจึงไม่ต้องหลางและถ้าหากบังเอิญยังมีอาหารชิ้นหนึ่งติดอยู่ที่ก้นชามใบหนึ่ง ถ้าเขาจะกินมันให้ได้และจะหาทางให้ไม่ต้องล้างชามไปนั้นเลยเขาก็จะแบ่งเอาส่วนใหญ่ของชิ้นอาหารนั้นกินเสร็จแล้วก็เหลือติดก้นชามไว้นิดหนึ่งที่เหลือไว้นั้นไม่ใช่ว่าใจกว้างจึงแบ่งให้คนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นแต่หากแบ่งไว้ให้เห็นเป็นว่าอาหารในชามใบนั้นยังไม่หมดตนจึงไม่ต้องล้างชามพฤติการอย่างนี้ มันจะน่าดูเอามากก็อีตอนคนรู้มากเกิดไปกินข้าวร่วมสำรับเดียวกันน่าดูพิลึกเพราะแต่ละคนก็พยายามที่จะยงโยกขึ้นก่อนที่ชามใบใดใบหนึ่งจะว่างลงและใจก็จะขม่่าต่อไปอีกแล้วก็ใช้ทฤษฎีเดียวกันคือแบ่งอาหารชิ้นสุดท้ายให้เหลือติดก้นจานไว้บางทีเหลือผักเส้นเดียวแท้ๆน่าขาจริงๆ พฤติการอันน่าดูตามที่เล่ามาเป็นตัวอย่างนี้ท่านผู้ที่เกิดมามีบุญแต่เล็กแต่น้อยอาจไม่ทราบเรื่องเลยเพราะไม่เคยตกอยู่ชีวิตอย่างนั้นแต่คนที่มีชีวิตต่อสู้มากๆอย่างพวกที่มีไรายได้น้อยแล้วก็เช่าบ้านอยู่ร่วมกันหุงหากินด้วยกันช่วยกันออกเงินค่าฐานค่าเข้าวสารหรือไม่ก็พวกอารามบอย เคยเจอกันมาทาั้งนั้นจับข้อมือถามได้เลยครับพูดมาก็ขายหน้าตัวเองเพราะผมเองก็อดีตอารามบอยเหมือนกันบางคนนะ่ะแกร้าจริงๆอาหารเต็มสำรับน้อยแกทำเป็นจามรวดเดียวที่ต่างว่าน้ํามูกน้ําลายกระเด็นไปลงถ้วยนั้นถ้วยนี้เพื่อนฝูงเขารังเกียจแต่พอเพื่อนฝูงทิ้งคำข้าหมด หมอก็สกรามคนเดียวจนท้องกลางนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ไม่อยากพูดพูดมากก็ลำบากจริงๆทําทำไมคนทำอย่างนี้เรียกว่าเอาเปรียบที่ว่าเอาเปรียบเอาเปรียบน่ะเอาอะไรคาว่าเอาเปรียบนะหมายถึงความยุติธรรมครับหมายความว่าของที่เขาเทียบกันอยู่แล้วเห็นเป็นการสมควรแล้วเราเรียกว่าเปรียบ บางคนก็พูดควบกันว่าเปรียบเทียบทีนี้ใครไปฉกชิงเอาส่วนที่เป็นเปรียบของคนอื่นเข้าเราก็เรียกว่าเอาเปรียบยกตัวอย่างเช่นตามท้องถนนหลวงจราจรเขาเปรียบส่วนไว้แล้วบางทีก็ตีเส้นกึ่งกลางถนนไว้ให้รถขึ้นอยู่ทางหนึ่งเป็นการยุติธรรมดีแต่ทีนี้คนขับรถที่เป็นคนเคี่ยวเปรียบ ก็มักจะขับเกินทางของอีกฝ่ายหนึ่งเล่นเอารถในทางต้องหลบกันพละวันอย่างนี้เรียกว่าเอาเปรียบหรืออย่างเช่นคนเข้าเวรตามสถานที่ราชการหรือทหารตามปกติเขาจะเปรียบไว้ว่าให้ทุกคนอยู่เวรคนละ24ชั่วโมงคือรับเวรเวลา13นาฬิกาแล้วออกเวรก็13นาฬิกาวันรุ่งขึ้น นี่เป็นการยุติธรรมไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ถ้าในบรรดาคนเข้าเวร น, นั้นมีใครสักคนหนึ่งเป็นคนเห็นแก่ตัวเขี่ยวเปรียบและสมมติว่าวันนั้นเป็นวันหยุดเส า, าร์อาทิตย์แกก็จะมีอันเป็นว่าแทนที่จะมารับเวร เ, เวลา13นาฬิกาตรงก็จะมาล่าไปเสมอเพื่อนคอยส่งเวร13นาิกา5นาทีก็แล้ว 13.10 นาิกานาทีก็แล้วนู่นล่ะ 13.15 นาฬกาหนาทีหรือไม่ก็ 13.30 นาฬกานาทีจึงจะทำเป็นกระหืดกระหอบมาแล้วก็จะมีอาการละล่ำละลักว่าได้มีอันเป็นไปต่างๆอ้างว่ารถติดบ้างเรือติดบ้างปวดหัวปวดท้องจิปาถะฝ่ายที่ส่งเวร ส่วนมากก็ไม่ได้สนใจกับข้อแก้ตัวเหล่านั้นเท่าไหร่เนึกอย่างเดียวว่าคนเราขอกันกินมากกว่านี้ขอให้ได้ออกเวรก็แล้วกันหิวข้าวเต็มทีแล้วครั้นวันรุ่งขึ้นท่านผู้เดียวกันนั่นเองแทนที่จะรักษาการไปจน13บสานาฬิกาจึงส่งเวรก็เปล่าสักสิบเนาฬิกาก็เริ่มกระวนกระวายแล้วสิ เอาลูกกุญแจไปยัดเยียดให้คนที่จะเข้าเวรต่อไปบอกว่าตนมีธุระสำคัญเป็นยิ่งนะักจึงขอส่งเวรก่อนสักชั่วโมงเถอะนี่แหละครับคือการเอาเปรียบตอนรับเวรก็เอากับคนส่ง10กว่านาทีตอนส่งเวรก็เอากับคนรับเกือบชั่วโมงคนอื่นเขาต้องอยู่เวรคนละ24บชั่วโมง10นาทีบ้าง25ชั่วโมงบ้าง จึงนับว่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบเรื่องทำงานกับคนเคียเปรียบคนอื่นนี่ถ้าไม่ระวังให้ดีก็เสียเปรียบวันยังค่ำจริงๆเพราะแกะเล่นกินทั้งหัวทั้งก้อยผมจะเล่าเรื่องก่อนเกิดให้ฟังอีกสักเรื่องหนึ่งที่ว่ากินทั้งหัวทั้งก้อยนี้คือเรื่องมันมีอย่างนี้มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งก็มีคนอยู่ด้วยกันหลายคน แต่ที่เป็นผู้ชายบรรลุนิติภาวะแล้วมีอยู่สองคนคือพ่อตาคนหนึ่งกับลูกเขยคนหนึ่งครั้นอยู่มานะการวันหนึ่งก็มีหมายประกาศออกมาจากเมืองหลวงว่าบัดนี้ได้มีข้าศึกยกทัพมาประชิดเมืองแล้วให้ทุกครัวเรือนส่งผู้ชายไปรบครอบครัวละหนึ่งคนเมื่อได้ทราบประกาศแล้วลูกเขยก็ปรึกษากับพ่อตาว่า การศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักขอให้คุณพ่อเลือกเอาว่าคุณพ่อจะไปหรือจะให้ผมอยู่หรือจะให้ผมอยู่คุณพ่อจะไปผมยินดีจะทําทั้งนั้นพ่อตาได้ฟังยติของลูกเขยหัวแหลมแล้วชักสะดึกฟังดูแล้วมันก็คือให้คนแก่ไปตายทั้งนั้นพอเห็นพ่อตาชักจะงงๆหรือชักจะรู้ทันลูกเขยหัวแหลมก็เสนอใหม่ว่า ถ้าคุณพ่อตัดสินใจไม่ลงเอาอย่างนี้ไหมล่ะเราจับไม้สั้นไม้ยาวกันพ่อตาค่อยโล่งใจหน่อยบอกว่าดีสิมันยุติธรรมข้าชอบพอลุกเขยก็วิ่งไปหาไม้มาทาเป็นไม้สั้นอันไม้ยาวอันแล้วก็เสนอกติกณฑ์ว่าถ้าคุณพ่อจับได้ไม้สั้นหมายความว่าคุณพ่อไปผมอยู่เออตกลง แต่ถ้าคุณพ่อจับได้ไม้ยาวหมายความว่าผมอยู่คุณพ่อไปรวมความว่าไม่ว่าจะจับได้ไม้ยาวหรือไม้สั้นคนแก่ก็ต้องไปตายทุกทีนี่แหละครับวิธีการของคนเกี้ยอเปรียบคนอื่นเอาทั้งขึ้นทั้งลองเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดมาจากอาการวิปริตของจิตอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไม่หิจฉาซึ่งแปลว่าความอยากใหญ่ คนที่เป็นเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นถ้ารู้ตัวจ้างเขาก็ไม่ทาเพราะการเอาเปรียบคนอื่นนั้นเป็นกิริยาน่าเกลียดออกอย่างคนที่ขับรถกินทางคนอื่นตะบันไปนะ่ะเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเองเอาเปรียบคนอื่นกลับนึกชมตัวเองสิด้วยว่าอัตมนี่มือแน่เหลือเกินแต่คนอื่นร้อยทั้งร้อยที่เห็นเข้าแล้ว เขาตำหนิทั้งนั้นเรื่องของเรื่องคือไม่รู้ตัวเอาไว้คราวหน้าผมจะชี้ให้เห็นชัดๆว่าเหตุใดคนเราจึงเอาเปรียบคนอื่นปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าถ้าเราเองถูกคนอื่นทาอะไรเอาเปรียบอย่างว่านี้จะทําอย่างไรใจจึงสงบสําหรับผมเองนึกแค่ว่าทําบุญทําทานครับคือเขาอยากเอาเปรียบนักหนา เราก็ทำทานอุทิศให้เขาไปเท่านั้นสบายใจดีแม้แต่เปรตแต่ผีเรายังทำบุญกรวดน้ำให้ได้ก็นี่คนด้วยกันแทๆ้ๆขอกันกินมากกว่านี้แล้วดูให้ดีเถอะครับคนที่จริงเอาเปรียบคนอื่นนั้นความจริงแกก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมากี่มากน้อยเลยอย่างเช่นเอาเปรียบเวลาคนอื่นหนาที10บนาทีแกได้อะไร เปล่าทั้งเพแต่ตัวแกเองเสียเกียรติเสียมิตรเสียความไว้วางใจจากผู้อื่นคิดดูให้ดีแล้วแกเองกลับเป็นฝ่ายเสียไม่ใช่ฝ่ายได้แม้นักขับรถเคียวเปรียบอย่างที่ว่านั้นก็เหมือนกันถึงแซงซ้ายแซงขวาตะบึงตะบันไม่รู้ว่าทางของใครบางทีก็ขึ้นหน้าเราไปได้ช่วงเดียวเท่านั้นเองเกือบจะเรียกไม่ได้ว่า ดีอะไรเลยทั้งๆที่ตัวเอาชีวิตเข้าเสียงเร่งเครื่องรถของตัวแทบพังและมีคนอื่นตำหนิติดเตียนอีกตั้งแยะแต่ช่างเขาเตอะเรานึกว่าทำบุญทำทานก็แล้วกันครับใจสงบดี